ทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะเราต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสัมมนาสนทนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวอยากจะบอกว่ารายการนี้สาระที่เราคุยกันเป็นคำสอนของพระาศาสดาที่ได้ตรัสเอาไว้ในระหว่างที่ยังทรงมีพระชนทีพอยู่ น, น, นะคะแล้วก็แม้จะเป็นเวลาผ่านไปสอง0กว่าปีก็ไม่เคยเก่าเป็นเรื่องที่ทันสมัย ใช้ได้อยู่เสมอเป็นอมตะทุกคนสามารถได้ประโยชน์จากธรรมะของพระศาสดาบางครั้งถึงกับเปลี่ยนชีวิตเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะรับนำไปปฏิบัติหรือไม่และสำหรับในวันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นการสืบเนื่องจากเมื่อวันก่อ น, อนที่ได้กรับเรียนถามท่านเบยบณ์ถึงเรื่องของกรรมแล้วก็ตั้งใจว่าจะคุยกันให้ละเอียดมากที่สุดในสัปดาห์นี้ใครที่สนใจเรื่องกรรมก็มาฟังกันต่อนะคะซึ่งวันนี้ เราจะเป็นการก้าวไปข้างหน้าถึงเรื่องของกรรมเก่าว่วาเป็นอย่างไรกราบนวัสนศการท่านไพบูบุ์ค่ะบค่ะพูดถึงเรื่องกรรมเก่าต้องทําความเข้าใจนิดหนึง่งว่ากรรมเก่าเนี่ยคือหมายถึงความที่เรารู้สึกต่ออารมณ์ได้น ะ, ค, ะความที่เรารู้สึกต่ออารมณ์ได้ฟังอีกครั้งนะึงนะกรรมเก่าคือความที่เรารู้สึกต่ออารมณ์ได้ แตนะ่คือหลายคนจะเข้าใจว่ากายนี้คือกรรมเก่า<ะ>นะแต่จริงๆแล้วไอ้ที่เรารู้สึกต่ออารมณ์ได้ต่างๆเนี่ยมันผ่านทางกายแตนะ่ทาให้เขา เ, าเวลาแปลกันเนี่ยเขาก็จะวงเล็บว่ามว่าตรงนี้คือเขาใส่คำว่ากายแต่กายเนี่ยผู้รูจักไม่ได้พูด<ะ>คือกรรมเก่าคือนี้อันเนี้ยคือกรรมเก่าแต่แล้วเขาก็วงเล็บ ว, ว่ากายแตนะ่แต่จริงกรรมเก่าคือความที่เรารู้สึกต่ออารมณ์ได้อันนมายกตัวอย่างให้ฟังเช่นว่านี่เป็นเรื่องจริงๆเลยนะ ในสมัยพุทธกาลมีตอนนั้นพระเจ้าเปเสน่ห์โกศลเนี่ยก็เข้าไปในในเมืองเพื่อที่จะไปเก็บสมบัติของเศรษฐีคนหนึง่งซึ่งเศรษฐีคนนี้เนี่ยไม่มีลูกสืบสกุลแล้วก็มีเงินเยอะมากนะเป็นพันล้านนั่นแหละก็ไม่มีลูกสืบสกุลทำไงานก็เลยต้องเก็บเข้ากลังหลวงนะระหว่างที่ออกจากเมืองไปที่พระเจ้กลับหวังก็เลยแวะไปหาบระเจ้าแล้วก็เลยเล่าเรื่องที่ตัวเองไปเก็บทรัพย์มาให้ฟังปรากฏว่าเศรษฐีคนนี้เขามีความเป็นอยู่ลักษณะที่ คือพอไปเก็บทรัพย์เขาเนี่ยก็ทำให้เขารู้ว่าทําให้พระเจ้าเประเสนาโกรนี่ยทราบว่าเศรษฐีคนนี้ก็กินก็กินแบบเขาเรียกเหมือนชาวจีนสมัยก่อนนะคุณยมติ๋วเขาเอาข้าวต้มไอเอากรวดเนี่ยมาคลุกกับเกลือแล้วกินกับข้าวต้มอย่างเงี้ยแล้วก็เอากลวดเนี่ยไปรีไซเคิลใหม่เนี่ยนะคือกินแบบกระเบียดกระเสียดมากเสื้อผ้าก็เอาผ้า 3-4 มสีผืนมาต่อต่อกันเสื้อผ้าขาดๆปะปะรถก็ใช้รถที่ปูโรทั้งเอาไม้ไผ่มาทําซึ่งไม่ใช่ไม้เนื้อดี ก็เลยเก็บความสงสัยว่าเอ๊ยทำไมถึงเป็นนี้ตัวเองรวยขนาดนั้นนะพัพรุ่งเจ้าก็เลยบอกว่าเพราะว่าเศรษฐีคนนี้เขาเมื่อก่อนเนี่ยเขาเขาเรียกว่าไปใส่บาตรพระแต่ว่าตัวเองไม่ได้ใส่เองนะคือตอนนั้นนั่งกินข้าวอยู่เราก็ให้ลูกน้องเนี่ยคือเห็นพระองค์หนึ่งเดินมาพอเอิญพระองค์นั้นเป็นปรเจกบพนะระเจ้าคุณยมเติวนะเป็นปัราชกบุระเจ้าก็ได้บุญเยอะใช่ไหมแต่ว่าตัวเองไม่ได้ทำนะให้ลูกน้องไปทำนะให้ลูกน้องไปใส่บาตรพระองค์นี้ แต่พอลูกน้องเดินไปนะตัวเองก็ไม่คิดว่าโอ้ยเสียดายว่ะเสียดายแล้ว ก, ก็ลุกเดินหนีไปนะําด้วยบุญที่เกิดจากการที่เขาใส่บาตรเนี่ยนะไม่ได้ใส่เองด้วยให้ลูกน้องไปใส่เนี่ยทำให้เขาไปเกิดเป็นเทวดาเลยตั้งนานมากแล้วจนกระดาษนี้เศษของกรรมดีนะนี่เศษของกรรมดีนะที่เหลือเนี่ยทาให้เขามาเป็นเศรษฐีทีนี้เพราะว่าไอ้ความที่เขาเสียดายต่อของที่เขาให้ไปนะทำให้เขาเนี่ย ไม่รู้สึกยินดีในเงินที่เขามีนจะต้องคอยกระเบิดกระเซีดยดแบบกินแบบเหลือขอแต่ว่าทตง น, น, นที่ตัวเองก็มีเงินมากตรงนี้คือกรรมเก่าที่ทําให้เขามีความรู้สึกต่อเงินที่เขามีในลักษณะนี้ถามว่ามันให้ผลยังไงก็เนี่ยคุณรู้สึกเสียดายต่ อ, อที่คุณทําไปจริงๆคุณให้ทานคุณน่าจะได้มีผลเป็นความสุขมีความสุขในเงินในข้าวของที่ตัวเองมีแต่เพราะความเสียดายทําให้ตัวเองรู้สึกกับเงินตัวเองว่า มันไม่น่าจะใช้ต้องเขียนมาไว้ต้องเก็บเอาไว้แต่นี่คือความที่รู้สึกต่ออารมณ์ถามว่าวเนี่ยคือกรรมเก่าแต่ที่มันให้ผลในปัจจุบันเกิดขึ้นได้อันนี้มีแน่นอนค่ะอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งว่าว่ามันคือความที่เรารู้สึกต่ออารมณ์ได้ความรู้สึกต่ออารมณ์ได้คือกรรมเก่าใช่สมมุติว่าดิฉันจะยกตัวอย่างอย่างอืน่นบ้างอย่างเช่นคนบางคน มีความรู้สึกว่าเป็นคือเหมือนกับที่ท่านยกตัวอย่างนว่าชัดแบบเ น, นะคะแต่แต่มันก็น่าจะมีอย่างอื่นอ่ะอย่างอื่นเอาจาย์จะยกตัวอย่างให้ฟังเช่นคะ่ะคนอยู่บนนกนะไม่ได้มีเงินมากทำกกเกษตรธรรมดาพอมีพอกินเ้แต่ชีวิตมีความสุขมากเลย ชีวิตมีความสุขมากแต่ถ้าเปรียบเทียบกับคนในเมืองโอ้โหแบบชีวิตวุ่นวายคือมีเงินมากอยู่จริงนะมีรถหลายคาันความเป็นอยู่สวยหรูแต่ว่าทอล์กับพ่อแม่พี่น้องนั้นมีชีวิตเร่งรีบเครียดนะก็ต้องไปฉีดโบตอกทาสัญญกรรมรอะไรต่างๆ <c oughs> เออมีเงินมากใช้เงินดีอยู่แต่เครียดไปหมดไม่มีความสุขเนี่ยคือความที่เรารู้สึกต่ออารมณ์ได้คุณยมติวก็จำไหมไอ้เงินทองนี่มันก็เรื่องที่มันมีอันนี้เป็นเรื่องของกรรมอีกระดับหนึ่งเหมือนกันนะ แต่ความที่เรารู้สึกต่อสิ่งที่เรามีความที่เรารู้สึกต่อสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูอันนี้คือกรรมเก่าอ่านี่คือกรรมเก่าถ้าใครฉลาดเรื่องภาษะก็ฉลาดเรื่องกรรมด้วยยกตัวอย่างไอ ส, สุนทรสนรกสัตนรกสัรนรกนี่จะเจอแต่ภาษาที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียวจะเจอแต่ภาษาที่ไม่น่าพอใจสัตวเดรัจฉานก็จะอยู่ในสภาวะที่ถูกเบีดเบียนนั่นะคือภาษะมันมาในลักษณะนั้นภาษามันมาในลักษณะนั้น ถ้ามนุษย์ก็มีทั้งสุขและทุกข์ถ้าเป็นเทวดาสุขก็จะมากกว่าทุกข์เพราะว่าผัสสะมันมาในลักษณะนั้นสมมุติถ้าเรามีกรรมมีที่มันจะให้ผลเป็นความสุขแต่ความสุขระดับไหนถ้าความสุขระดับดีคุณจะมาเกิดบนมนุษย์ไม่ได้เพราะมนุษย์คุณต้องไปห้องน้ําห้องน้ํานี่ก็ทุกข์นะทุกเช้าเราต้องไปมนุษย์คุณต้องหิวข้าวทุกวันคุณต้องกินและซึ่งความทุกข์ระดับนี้ในสวรรค์มันไม่มี ความทุกข์แบบนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าคุณทํากรรมในลักษณะที่จะให้ผลเป็นความสุขในระดับที่ที่มันต้องสุขแบบเหนือขึ้นไปคุณจะมาเกิดบนมนุษย์ไม่ได้โอเคนะในทางตรงข้ามก็เหมือนกันถ้าเราทํากรรมที่จะให้ผลเป็นความทุกข์ทุกข์ในระดับที่มนุษย์มันไม่มีมันก็ต้องทุกข์กว่านั้นอยเช่นเบียดเบียนกันมากมนุษย์มันมันก็เบียดเบียนกันพอประมาณใช่ไหมถ้าเบียดเบียนกันมากคุณต้องไปนู่นสัตยเดรัจานนะไอความร้อนของไฟบนโลกมนุษย์ยังมากก็ต้องร้อนเท่าดวงอาทิตย แล้วก็มากที่สุดแกนั้นแต่ถ้าคุณจะต้องเจอที่มันร้อนกว่านี้เพราะมันให้ผลเป็นความเป็ร้อมากกว่านี้คุณต้องไปนรกภาษาแบบนั้นจะมีที่นั่นแต่เพราะฉะนั้นการเก่าเนี่ยคือลักษณะของการที่เราจะรู้สึกต่ออารมณ์ได้ในสิ่งที่<า>จะมาทางภาษะนั่นเองตรงนี้งั้นสมมุติว่าเรามีความรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมมีความฉันไม่เห็นมีความทุกข์แบบคนอื่นเลยนะรู้สึกชีวิตมันชิวๆไปหมดใครเขาจะเดือดร้อนอะไรยังไงกับสภาพแวดล้อม เราก็รู้สึกไม่เห็นครับเข้าใจแบบเขาเลยอย่างนี้ก็คือกรรมเก่าอย่างหนึ่งถูกไหมคะถูกต้องว่าทำมาดีอ่าทีนี้ตรงนี้มันก็มี2องในยะนะว่าคือ<ะ>คุณเห็นชิวๆเนี่ยด้วยปัญญาหรือว่าด้วยโมหะนั่นคืออย่างส<ะ>ัตว์เดรัจฉานอย่างเงี้ยสุนัขเขาตื่นเช้ามาเขาก็ไปหากินหาตัวเมียนี่คือลักษณะความโมหะของเขาแต่เขาก็ชิวๆของเขานะหมานะ่ะเนื้อเนืออ้อมันชิวของมันมันก็แฮปปี้ของมันแต่ว่ามันอยู่ในลักษณะของโมหะครอบงำอยู่ ดังนั้นถ้าเราชิวๆเราสบายๆก็คุณด้วยปัญญาหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นก็ถือว่ามีกรำรดีมามีปัญญามาเพราะว่าเข้าใจต่อสถานการณ์ที่เลวร้ายก็เลย อ, อยู่เป็นสุขได้เพราะคิดว่ามันเป็นเช่นนั้นตะถาตาอะไรทํา้องเนี้ยนี่ถือว่าเห็นด้วยปัญญาเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่นะคะมีประเด็นที่สําคัญอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับกรรมเก่าแต่คือเราพูดกันมาตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ย ทำใหบางคนจะคิดว่าโอ้ยนี่นกรรมเก่าสําคัญทีน่นี่เหนือไหมเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่เราต้องฉลาดและเรื่องปัจจัใช่ทีนี้ถ้าเราเห็นว่าอันนี้เป็นสาระสาคัญอย่างเดียวอันนี้จะเป็นมิจฉาทิฏฐิต้องระวังเพราะอะไรเพราะบางคนถ้าไปคิดว่าโอ้ยสุขทุกข์ในชีวิตฉันเนี่ยมันเป็นเพราะกรรมเก่าอย่างเดียวถ้าเขาคิดอย่างนี้นะเขาก็จะไม่ทําอะไรที่มันเป็นกุศลธรรมเออฉันทุกก็ทุกอย่างเงี้ยแหละก็รับรับไปก้มหน้ารับกรรม โอ้ยฉันสุขก็จะประมาทเร็วๆ เ, เพราะฉันมีความสุขจะไม่ได้ขวนขวายทําสิ่งที่ดีแต่จะไม่ได้ขวนขวายทําสิ่งที่เป็นกุศลจะไม่ได้ขวนขวายในการละสิ่งที่เป็นอ ก, กุศลเพราะอะไรเพราะคิดว่าทุกอย่างเป็นกรรมเก่าวหมดมันจัดมาแล้วลก็จะไม่เห็นอะไรที่เป็นสาระสาคัญว่าอะไรควรละอะไรควรทําอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิต้องระวังค่ะนะเออเราก็ถ้าเบอกว่าไอ้ความสุขทุก ที่มันเกิดในชีวิตเราเนี่ยเราจะบอกว่าเป็นแต่กรรมเก่าอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่นะแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่ <Okay. S 1> หนึ่กรรมเก่ามี2เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพสามเกี่ยวกับเรื่องของดินฟ้าอากาศเป็นไปได้ 4. ความสุขทุกขในชีวิตเราเนี่ยเกิดจากการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอก็เป็นไปได้นะหเกี่ยวกับเรื่องของสภาพเขาเรียกว่าอะไระสภาพ3 4อย่างนี้รวมกันอันนี้ก็เป็นไปได้อย่างเช่น <Okay. S 1> บางที เราบอกว่าเออฉันเดินขึ้นตึกสิบชั้นดูคือเดินขึ้นไปตึกสิบชั้นโอ้โหเหนื่อยมากเลยโอ้โแล้วก็มีความรู้สึกไม่สบายใจไม่สบายกายเนะี่ยเพราะว่าความที่ตัวเองเดินขึ้นตึกสิบชั้นบอกอันนี้เป็นกรรมเก่าค่ะซึ่งมันไม่ถูกไงมันไม่ถูกค่ะท่านคะ่ะทีนี้เดี๋ยวเราอยู่กับเรื่องกรรมเก่าอีกสักนิดนึงนะคะที่ว่าความที่เรารู้สึกต่ออารมณ์ได้เป็นกรรมเก่าเนี่ยทีนี้ก็เท่ากับว่า เป็นของที่เราสะสมมาแต่อดีตแล้วส่งผลอย่างที่ท่านบอกว่าเรื่องกรรมมีส่งทั้งทิฏฐธรรมคือปัจจุบันอนาคตกับอนาคตที่ยาวไกลเข้าไปอีกอย่างนั้นใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องคือทํามาแล้วจึงเกิดผลอย่างนี้ใช่มันส่งผลแต่ถ้าบอกว่าสั่งสมคื อ, คอมันต้องให้ผลนะเพราะนั้นผลที่มันจะกำลังจะให้มันก็คือมันกำลังจะเกิดผล จะว่าสั่งสมก็ได้เหมือนกันนะคีฟานคือถ้าพูดถึงว่าคาว่ากรรมเก่าเลยนี่ดิฉันเข้าใจว่าไม่ใช่กาลังจะสงผลนะคะคือขณะนี้กำลังรับผลกันอยู่เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะทีนี้พอเป็นกรรมเก่ารับผลกันอยู่แล้วท่านบอกว่าอย่าไปโทษว่ามันเป็นเรื่องกรรมเก่าแต่เพียงอย่างเดียวใช่ไหมคะก็แปลว่ามันอาจจะไม่ใช่ สิ่งที่สืบเนื่องจากการกระทําที่เกิดมาแล้วในอดีตจะสั้นยาวแค่ไหนก็ไม่รู้คือคือคำสอนพระเจ้าเนี่ยนะคุณยมติว ค, คือพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่เคารพธรรมมากเพราะฉะนั้นท่านจะเนี๊ยบมากในเรื่องปเปลี่ยนชนะลองยกตัวอย่างเช่นว่าสมมติตากผ้าไว้ตากผ้าอย่างเงี้ยเกิดฝนตกสู้ออกมาแล้วผ้าเราเปียกแล้วเราไม่พอใจเราต้องใส่ผมผ้าเราจะบอกนี่เป็นกรรมเก่าของฉันดูซิฉันทํากรรมมามันก็เลยผ้าเปียกมันไม่เกี่ยวไงมันไม่เกี่ยว ถ้าเราแต่ว่าไอเวทนาที่เราเกิดขึ้นกับเราที่เราพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามเป็นกรรมเก่าหมดมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศก็มีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องบอกว่าเรื่องอื่นๆก็มีนะมันเพราะฉะนั้นเราต้องต้องรู้จักเข้าใจตรงนี้ซะก่อนเราจะถ้าเราจะเชื่อแต่ว่าไอเป็นกรรมเก่าอย่างเดียวจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะตัดสินใจทําความดีได้เพราะว่ามันก็เพิ่งกรรมเก่านี่ทําไมอ่ะอย่างเงั้ย น, นะนะอ๋อเท่ากับ ว, ว่า อ, อันนี้ให้คําจำกัดความของคําว่ากรรมเก่าแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่ในขณะนี้เป็นกรรมเก่าล้วนๆถูกต้องถูกต้องค่ะค่ะคือคือกรรมต้องให้ผลแน่อันนี้ข้อที่หนึ่งที่เราคุยกันไปน ะ, ะสองที่เรากำลังรับอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่ากรรมเก่าอย่างเดียวทั้งหมดนะสินฟ้าอากาศก็มีสุขภาพก็มีการเตรียมตัวก็มีก็หลายอย่างง้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าในปัจจุบันนี้เราได้ สร้างเหตุหรือมีเหตุภายนอกเช่นไรที่เป็นตัวแปรทําให้เกิดลักษณะของที่เราเข้าใจว่าเป็นกรรมใช่เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมีคนพูดว่าโอ้เนี่กรรมเก่านะเราเกิดมารับกรรมคุณคุณคุณไปแก้ไขเขาเลยนะว่าเราไม่ใช่ว่าเราเกิดมารับกรรมแต่เราเกิดมาเนี่ยเรามีเวทนาแน่นอนเราสร้างกรรมดีได้เราสร้างกรรมชั่วได้ผลของกรรเราก็ต้องรับถ้าเราจะสําคัญแค่ว่า เราเกิดมารับกรรมเป็นสาระสําคัญจะทำให้เราไม่สามารถสร้างสิ่งที่ดีทําสิ่งที่ดีไม่รู้อะไรควรละอะไรควรทําได้ค่ะเฉลิมพันกเกิดมาถธอบอกเออทําไมเจ้านายถึงไม่ยอมอแต่งตั้งโยกย้ายเราสักทีหนึ่งสงสัยจะเป็นกรรมเก่าทําดีเท่าไหร่คนก็ไม่เห็นจริงจริงแล้วสิ่งที่ทํานั้นมันอาจจะไม่ดีก็ได้หรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีเหตุผลอย่างอื่นประกอบกันก็ได้ยังไม่ใช่เวลาอะไรทานองนี้ใช่ นะคะถ้าเป็นความง่ายง่ายแล้วถ้าเราจะเอาสาระสาคัญตรงนี้ว่างั้นชาเลอร์ทาความดีโหผิดอย่างมากอย่าทําให้ตั้งใจทําความดีต่อไปถึงจะดีจึงต้องมีความเชื่อให้ถูกต้องว่าเรื่องทั้งหลายที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเพียงเพราะกรรมเก่าเท่านั้นถ้าตั้งใจทําดีหมายความว่าอาจจะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ถูกไหมคะเป็นไปได้ถูกต้องนะคะดังนั้นที่พระพุทธองค์ได้ ตรัสเอาไว้เช่นนี้ก็เพื่อต้องการที่จะให้พวกเรานั้นมีกําลังใจที่จะทําให้มันดีกว่าด้วยการกระทําทางกายวาจาใจในปัจจุบันนั่นเองเชิญพา น, นก็พอดีกับเวลาเลยนะคะสําหรับเรื่องกรรมเก่าที่ปนกับกรรมใหม่ไปนิดนิดเดี๋ยวกรรมใหม่ต่อไปว่าวันพรุ่งนี้ได้ไหมคะใช่เชิญพานนะคะก็กราบในวส ก, การขอบพระคุณท่านเพรบุญพิปุรโนนะคะพระจากวัดป่าดอนหายศูนยดรธานี ซึ่งมีหลวงพ่อด็อเตอร์สะอาดเป็นเจ้า อ, อาวาสนอกเหนือจากที่เราได้สนทนากันไปในวันนี้แล้วเนี่ยเรื่องของกรรมเราไม่เคยได้ยินเช่ไหม้ะว่ามีคนเก่งกาสามารถล่วงรู้ว่าคนนั้นคนนี้ทำกรรมอะไรมาแล้วก็ยังมีความสามารถในการที่จะบอกว่าถ้าเช่นนั้นควรจะแก้กรรมนั้นๆอย่างไรชีวิตจึงจะดีขึ้นกว่าเดิมท่านพบูลของเรานี่ก็ เป็นพระสงค์ที่มีความรู้ความสามารถจะแก้กรรมให้ท่านได้ไม่จะมองเห็นกรรมท่านหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาติดตามกันในรายการสันสนีสนทนาเช่นเคยนะคะที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าว fm 1 0 6สําหสำหรับวันนี้พุทธวสวัสดีค่ะ